อีกสูตรหนึ่งนะบินดาปาตาสูตรพูดถึงพระที่นิยมบินทบาทเนี่ยนะเดี๋ยวก็นึกว่าพระบินทบาทเป็นวัดเนี่ยจะดีไปซะทุกรูปหมดก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลวไปซะหมดเนี่ยนะนบินดาปาตาสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเฉตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี สมัยนั้นแลพิสมากด้วยการกลับจากบิณฑบาตในเวลาปัจฉาพัดนั่งประชุมกันในโรงกลมใกล้ต้นกลุ่มสนทนาการถึงเรื่องเป็นไปในระหว่างนี้ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตอยู่ย่อมได้เห็นรูปอันเป็นที่พอใจด้วยจักสุบิณฑบาตนี่สิดีจะได้เห็นสิ่งแปลกๆที่ยังไม่เคยเห็นรูปงามๆเราก็ได้ดูใช่ไหม ได้ย่อมได้ฟังเสียงอันเป็นที่พอใจด้วยหูย่อมได้ดมกลิ่นอันเป็นที่พอใจด้วยจมูกย่อมได้ลิ้มรสอันเป็นที่พอใจด้วยลิ้นย่อมได้ถูกต้องโทธิภะอันเป็นที่พอใจด้วยการาด้วยกายตามกาละอันสมควรกลายเป็นว่าชอบที่จะบินทบาดอีกใช่ไหมจะได้รับอะไรพิเศษใหม่ๆแปลกๆที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยฟังไม่เคยรู้ไม่เคยดมไม่เคยทราบเป็นต้นนะกลายเป็นว่า ได้จะได้อะไรนะเกี่ยวข้องกับเบญจากามคุณมากกว่าเดิมเหมือนกันดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัดเป็นผู้อันมหาชนเนี่ยส ก, การะเคารพนับถือบูชายาเกรงย่อมเที่ยวไปบินทบาตกลายเป็นว่าโอ้เขาเลื่อมใสามากนะพระที่บินธบาตและสมัยไหนๆก็เป็นอย่างเงี้นะเขาก็นับถือเป็นพิเศษเลยรูปที่ถือบินทบาตอย่างแข็งขดเนี่ยนะ ฝนตกแดดออกฟ้าร้องฟ้าผ่าเงียบเย็นร้อนหนาวขนาดไหนถ้ายังไม่เคยละทิ้งเนี่ยโอ้เข้าชมมากเนยนะดีจริงๆเก่งจริงๆเลยก็ก็ถือว่าเป็นที่ยกย่อง น, นะนะบางคนเนี่ยถือบินธบัตไม่ยอมขาดเพื่อจะให้เขาชมนะไม่ได้เพื่อจะไปขัดกล่าวอะไรหรอกเพื่อเขาจะได้เลื่อมใสเราทําอย่างนี้มาจะได้ไปที่ไหนจะได้ข่มคนอื่นได้ตลอดว่าเรานี่ทําแต่อย่างนี้มาตลอดอยังไง ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายเพีฉะนั้นเราทั้งหลายจงถือการเที่ยวบินธบัตเป็นวัดเถิดเราก็จะได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิมรสรับกระทบโพธะตามการละอันสมควรจะได้รับอารมณ์ที่ดีๆเหมือนกันแม้เราทั้งหลายก็จะเป็นผู้อันมหาชนสักการะเคารพนับถือบูชายามเกรงเที่ยวบินธบัตภิกษุก็สนทนาการค้างอยู่ระหว่างเพียงเนีนะเนี่ย ที่จริงเนี่ยเป็นมิจฉาวาจาที่เกิดจากอากุศลมิตกปรารถนาอะไรเบญจากามคุณปรารถนาชื่อเสียงเป็นต้นพระองค์ก็เสด็จนะนะเวลาเย็นพระองค์ออกจากที่ลีกร้นเสด็จเข้าไปยังโรงกลมใกล้ต้นกลุ่มก็สอบถามเรื่องราวทั้งหมดพระพิสุกก็นนะเล่าถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายเป็นกุลบุตร ออกบวชเป็นบนรรปชิต ด, ด้วยศรัทธาเพิ่งกล่าวเรื่องเห็นป่า น, นี้นั้นน่ะไม่สมควรเลยจริจิงไม่เหมาะไม่สมใช้ไม่ได้นะบวชเข้ามาแล้วมาคุยกันอย่างนี้เธอทั้งหลายประชุมกันแล้วเพิ่งกระทำอาการสองอย่างคือทารรมีคะถาการฟังธรรมสนทนาธรรมเป็นต้นหรือดุสเนยภาพแบบพระอริยะที่เคยกล่าวไปแล้วนะกล่าวไปแล้วที่ไหนในราชสูตรไงที่ว่า พระภิกษุก็นั่งสนทนาการว่าพระราชาสองเมืองนี่ใครรวยกว่ากันระหว่างพระเจ้าเปรสันที่โกศลกับพระเจ้าพิมพ์ิสารน่ยนะเขนั่งคุยกันพระองค์ก็มาห้ามแบบนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าถ้าว่าภิกษุไม่อาศัยเสียงสรรเสริญแล้วไซเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใคร่ต่อภิกษุผู้ถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัด ผู้เลี้ยงตนไม่ใช่ผู้เลี้ยงผู้อื่นผู้คงที่จริงๆนะถ้าหากว่าไม่ตั้งจิตเพื่อความปรารถนาลามกไม่ต้องการชื่อเสียงลาบยศเป็นต้นอ่นะถ้าตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติถือการเที่ยวบินทบัติเป็นวัดนะแคร่งครัดในธรรมวินัยเป็นต้นเนี่ยใครเขาก็เลื่อมใสแต่ว่าตั้งจิตเอาไว้ผิดเพื่อให้ให้ได้รับเสียงสรรเสริญตั้งไว้แบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ รังเกียจเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ก็รังเกียจแต่ถ้าหากว่ า, าไม่สนใจในเรื่องลาบสการะสรรเสริญและชื่อเสียงเป็นต้นมีการปฏิบัติที่เคร่งครัดเนี่ยนะการที่พระพิสุถือการเที่ยวบินฑบาตเป็นวัดก็ถือว่าอาหารที่ได้เนี่ยถือว่าอาชีพนี้บริสุทธิ์จริงๆเลยนะ เ, เพราะว่าไม่ได้เกิดจากการเลียบเคียงไม่ได้เกิดจากการบอกไม่ได้เกิดจากการขอไม่ได้เกิดจากอะไรจริงๆเพราะว่า ผู้ที่เขาทําบุญเขาก็เตรียมรอไว้เฉยๆเนี่ยนะซึ่งไม่ได้ไปบอกเขาว่าอยากจะทานานั่นฉันอันนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็เลยทําให้อาหารนั้นถือว่าเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ที่สุดว่างั้นเถอะอาหารอย่างอื่นไม่ใช่ไม่บริสุทธิ์แต่ว่าถ้าเทียบถึงความบริสุทธิ์ที่สุดแล้วอาหารที่เกิดจากการเที่ยวบินธบานนั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ที่สุดแล้วเนี่ยนะ ส่วนรายละเอียดที่บอกว่าในหน้าส5 2หกลางๆหน้าว่าภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะ ท, ที่มาพูดกันอย่างนั้นเพราะเห็นเขากำลังทำการบูชาสการะในที่นั้นดำรงอยู่ในทางที่ไม่สลัดออกจากทุกก็ไอการเพื่อที่ปรารถนากามคุณหปรารถนาลาบยศสำเสริญเป็นต้นเนี่ยเป็นมักแปไหมไม่ใช่ใช่ไหมเพราะไอการคิดแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อออกจากทุก เพราะยังหนักในสการะจรึงกล่าวอย่างนั้นด้วยอยโยนิโสมนัสนิการเพราะอะโยนิโสมนัสนิการนั้นสแสวงหาความสุขจากกรรมคุณทั้งหลายสแสวงหาลาบสการะสรรเสริญเป็นต้นอ น, นั้นด้วยอะโยนิโสมนัสนิการเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้านั้นก็เสด็จนะพระองค์ก็ได้ยินแล้วละ่ะพระองค์ก็ออกจากภาคคันธกกูตีเสด็จเข้าไปยังโรงกลม ด้วยหมายพระไถวยว่าภิกษุเหล่านี้บวชในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราแม้อยู่ในวิหารเดียวกันกับเราก็ยังใช้ถ้อยคำโดยอโยนิโสมนาเสกังนะเป็นคำพูดอย่างเงี้ยมิจฉาวาจานะไม่ประพฤติขัดกล่าวเอาเถิดเราจะห้ามภิกษุเหล่านั้นจากเหตุนั้นแล้วประกอบไว้ในธรรมะเป็นเครื่องอยู่อย่างขัดกล่าคือสันเลกธรรมบท ว, ว่าเอตมถังวิทิตวาความว่าแม้เทพ ย่อมกระยิมต่อท่านผู้เที่ยวบินทบาตเป็นวัดเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อทําตันหาให้เหือดแห้งด้วยธรรมะเครื่องขัดกล่าวมีความมากน้อยและสันโดษเกิดความประพฤติเอื้อเฟื้อในการปฏิบัติประพฤติรักใคร่ต่อท่านไม่ไม่ประพฤติรักใคร่อย่างอื่นจากนี้สรุปว่าผู้ใดที่ประพฤติปฏิบัติกำจัดขัดกล่าวต่อกิเลสเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเขาเลื่อมใสแต่ถ้าประพฤติตรงกันข้ามหมดเลยประพฤติเพื่อ เจริญด้วยเบญจา ก, การมคุณประพฤติเพื่อให้มีชื่อเสียงเป็นต้นเทวดาและมนุษย์ที่มีปัญญาทั้งหลายเขารังเกียจเนี่ยนะแต่ว่าคนผานก็ชื่นชมเออดีเนี่ยนะก็อย่างว่านะบางทีเนี่ยเสียงของคารวะเนี่ยพระพิสุที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอ น, นจะต้องสังเกตให้ดีบางทีพระพิสุทําผิดนี่คารวะเขาชมถ้าทาถูกเขาตาหนิไอ้แบบนี้ก็มีก็ต้องแยกให้เป็นเนี่ยนะ ไม่ใช่ถือเอาเสียงคําสรรเสริญเป็นต้นเป็นประมาณบางทีเนี่ยท่านทําถูกทำวินยัยเขาตําหนิถ้าทําผิดเขาชมบางทีท่าบางเรื่องทําถูกแล้วชมทําผิดแล้วตําหนิเพรา ะ, ะนั้นผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายพึงใคร่ครวญให้ดีๆว่าที่เขาชมนี่ชมเป็นไปตามธรรมไหมหรือว่าชมเพื่ออะไรเป็นต้นเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาความถูกใจหรือว่าถูกต้องเป็นเป็นเครื่องวัดก็ต้องศึกษาแยกแยะให้ดีเพราะ โลกธรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายร้ายก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในในโลกถ้าเขาเห็นด้วยเขาพอใจเขาก็าบอกว่าดีถ้าเขาไม่เห็นด้วยไม่พอใจเขาก็าบอกว่าไม่ดีก็ต้องว่าดีไม่ดีเอาใจเป็นประมาณหรือว่าเอาธรรมเป็นประมาณก็เพ่งไข่ครควนดูบทว่าโนเจสิโลกนิสิโตความว่าหากไม่อยากได้ความสรรเสริญกล่าวคือเสียงที่ชนเหล่าอื่นยกย่องโดยนายเป็นต้นว่าน่าอัศจรรย์พระผู้เป็นเจ้า ชมล้เกินนะท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดยประพฤติขัดเกลาอย่างนี้นะต้องการให้เขาชมแบบนั้นนะนะชื่อเสียงได้แก่การโฆษณาชมเชยคุณเฉพาะหน้าสรรเสรินแต่การชมเชยลับหลังหรือเป็นผู้มียศแผ่ไปบางคนเนี่ยโอ้ยกลัวมากเลยกลัวจะไม่มีชื่อเสียงเนี่ยนะนะก็เดี๋ยวเสียชื่อหมดเดี๋ยวเสียชื่อหมดเป็นต้นอนนะถ้ากลุ่มค า, ารวะก็เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพระพิสุเป็นอย่างนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นหวงแหนมากนะนะกลัวชื่อจะเสียนะ ไม่รู้เขาชมมากๆแล้วมันได้ดีตรงไหนก็ไม่ทราบกิเลสก็เท่าเดิมเพราะว่าเสียงชมนี่เป็นศีลและศีขามั้ยเขาชมมากๆและศีลเราดียิ่งขึ้นไหมสมถาวิปัสสนาเกือบบรรลุมรรคผลอยู่แล้วใช่มชมไปชมมาอาจจะคล้ายๆพระพาหิยะใช่ไหมสงสัยเราจะดีจริงมั้งเขาจริงชมกันเหลือเกินอย่างนะก็กลายเป็นไปเข้าใจผิดอีก